มีคาพูดหรือว่าสำนวนนะที่เดี๋ยวนี้เรินได้ยินกันมากขึ้นนะก็คือคำว่าความจนมันน่ากลัวมากนะความจนมันน่ากลัวมากมคนที่พูดแบบนี้เนี่ยนะเขาเหมือนกับว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเพียรในการทำมาหากินนะเพราะว่ากลัวกลัวความยากจนต้องรีบเพียรทำมาหากินถ้าหากว่า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 ไอ้ที่ทําทุกวันนี้เนี่ยนะมันทำประกลวดจนจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพราะอยากรวยอยากสบายนะมากกว่าแล้วก็ที่จะต้องเตือนตนอยู่เสมอนะัคือความจนมันน่ากลัวก็จริงนะแต่ว่าความชั่วเนี่ยมันน่ากลัวกว่าความชั่วมันน่ากลัวกว่านะจริงอยู่ความชั่วเนี่ยเช่นการโกรงการคอร์รัปชันเนี่ยอาจจะทําให้มั่งมีสีสุกนะแต่ว่าไอ้ความมั่งมีนั้นก็ไม่เคยยั่งยืนเลย อะไรที่มันหามาได้เร็วก็หมดไปเร็วคนที่รวยเพราะถูกหวยหรือรวยเพราะค อ, อร์รัปชันเนี่ยไอ้ความร่มรวยมันไม่เคยอยู่นานเลยอะไรที่ได้มาเร็วมันก็หมดไปเร็วนะและคนเราพอลองทำชั่วสักครั้งแล้วนะมันก็ต้องทาไปเรื่อยเช่นต้องโกหกเพื่อปิดบังนะความชั่วของตัวหรือไม่ก็เกิดติดใจนะเห็นว่าเงินมันมาได้ง่ายก็เลยทําไปเรื่อยๆ อันนี้ก็เป็นปัญหาเดียวกับคนที่ติดการพนันการพนันจริงมันก็ไม่ได้เป็นความชั่วนะแต่ว่ามันมีโทษเยอะนะใหม่ๆเนี่ยก็เล่นการพนันแล้วได้เงินนะมันได้เงินง่ายได้เงินง่ายก็ติดใจก็เลยอ่ไปเล่นการพนันอีกทานั่งที่เล่นครั้งต่อต่อไปนะมีแต่เสียกับเสียนะแต่มันก็ยังมีความหวังว่าเดี๋ยวก็คงจะอะ่ได้อ่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 โกงเขานะไม่กี่บาทแต่ว่าดอกเบี้ ย, ยทบต้นตานมาผ่านไปสิปี20ปีนี่มันกลายเป็นพันเป็นหมื่นยังไม่ต้องพูดถึงว่าต้องไปชดใช้ในชาติหน้านะเพราะนั้นเนี่ยถ้าดูแลเนี่ยไม่คุ้มเลยฉะนั้นถ้าเราไต่ตองดูดีๆนะความจนมันน่ากลัวก็จริงนะแต่ว่าความชั่วมันน่ากลัวกว่าเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรเพื่อหายจนนะก็อย่าลืมน ะ, ะต้องทาความดีเอาไว้ตั้งมั่นอยู่ในความดี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 อริยทรัพย์นี่นะมันก็คือทรัพย์อันประเสริฐนะที่ไม่มีใครจะรักขโมยได้มันเกิดจากความดีที่ได้ทําพราะมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่จนนะแต่ว่าเขารักษาความดีไว้ได้เมื่อเมื่อวานนี้ก็มีคนส่งข้อความที่น่าประทับใจมากนะส่งมาทางไลน์คนที่เล่าเนี่ยนะต้นเรื่องเขาเป็นเป็นผู้กํากับหนังผู้สร้างหนังนะชาวบราซิลเขากําลังสร้างหนังแล้วก็กําลังหาดาราที่เป็นเด็กนะ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 แล้วเด็กก็รีบวิ่งหนีไปเลยพวงกกำนางวันนี้ก็ให้ไปแล้วแกก็ลืมนะแกก็ทำโน่นทํำนี่ของแกไปเป็นเดือนนะแล้ววันหนึ่งแกก็มีธุระนะไปที่สถานีรถไฟบอกวมีเสียงเรียกนะคุณครับคุณครับรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวแต่หันไปดูปรากฏว่าเป็นเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นแกบอกว่าเนี่ยผมมารอผมมารอคุณน่ะสองสามอาทิตย์แล้วนะเนี่ยรอทําไมเหรอรอที่จะคืนเงินไงโอ้เด็กยืมเงินไปนี่เด็กนี่ตั้งใจจะคืนนะ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 แต่เด็คนนี้แกไม่ยอมนะแกก็จะก็จะมานั่งเฝ้ารอมายืนรอว่าผู้ชายคนนี้จะมาเมื่อไหร่เพราะรับปากไปแล้วว่าจะคืนให้ภายในหนึ่งอาทิตย์เรื่อง ม, มันไม่จบแค่นั้นนะอ่าพ่วงกับคนนี้เนี่ยแกก็นึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้เรากําลังหานักสแสดงที่เป็นเด็กเด็กคนนี้อาจจ ะ, อ, ะอาจจะใช้ได้ก็ได้ก็เลยชวนเด็กนะว่าเนี่ยว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะอยากจะชวนไปไปไปเข้ากล้องนะ เพราะว่าจะมีการคัดเลือกนักแสดงไม่แน่นะหนูอาจจะมีโชคไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะเด็กก็ดีใจนะก็รับปากนะวันรุ่นขึ้นเนี่ยผู้กำกับคนเนี่ยพอแกไปถึงบริษัทของตัวนะปรากฏว่ามีเด็กเยอะแยะเลยมีเด็กเยอะแยะเนี่ยมารออยู่รวมทั้งเด็กคนนี้ด้วยแล้วเด็กคนนี้แกบอกว่าเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยนะได้มีโอกาสคัดเลือกเป็นดาราบ้างนะเพราะว่าเขาก็อยากจนกันนะถ้าเขาได้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 ผ่านการทดสอบนั้นได้เป็นดาราก็เพราะว่ามีความเมตตามีน้ำใจแล้วเด็กคนนี้ก็ได้เป็นดารานะแล้วก็เพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นหนังดังนะตั้มาก็เคยดูน้ำมื่อสักสิบปีที่ลราชื่อ central station ก็ได้รางวัลตุกตาทองนะของฮอลลีวูดแล้วก็เด็กคนนี้ต่อหลังก็เป็นดารานะัมีชื่อของบราซิลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะคือว่าถึงแม้จนยังไงเนี่ยก็ยังมีศักดิ์ศรีนะความจนเนี่ยมไม่ไม่มาไม่ทำลายความดี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 อิชิตังปฏิตังตุมพังคอยทะาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิบามีวาสมิชาตตจงสำเร็จโดยชาพรานสาเพกูเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณียานสว่างสวายควรยินดี สาพพิโยวิวัชันโตความจางไหลทางข่วงจงบำราบไปสาภโรโควินาสาตุโรทคทั้งขวงของท่านจงหายมาเตภวัวันตรารโย ο, อันตารายามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภีวาธนาสิลิสนนจังวุทาปจายโนยัตตาโรธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภารังสีประการคืออายุวันนาสุขาพภารังยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไห้กรามีปกติอ่ันนอมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภาวาตูสาพมังครังพอสาพมงคลครจงมีแก่ท่าน เราขันตุสาภาเทวตาภาเราเทวดาทั้ง่วงจองรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาะโวยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังภานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งภาสง์สัจชาโสทิภวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วมือเถิด